เทศอบรมพระวันที่19เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้ดีมากกันนี้เหตร้อนทางเวทนาเราบวชมาปฏิบัติธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้บวชและปฏิบัติกับเราอย่าอะไรเสียดายกับกิเลส ที่แสดงออกด้วยอาการต่างๆยิ่งกว่าธรรมต้องฝืนมันเสมอไประ ง, งับดับทุกข์ด้วยปัญญาทุกขเวทนาและอสุภะตื่นมโนภาพตัวเองเหมือนลิงตื่นเงาในกระจกจะเห็นลิ้นดีกว่าธรรมลิ้นรสจะเหยียบย่ำธรรมกันนี้เข้มข้นดีตลอดอัดให้ไกลๆได้ไม่มีพูดสนทนา นี่เหมาะมากสำหรับพระเราที่เหล็กตัวใหญ่เป็นยันนาในค้อบงำจิตใจโดยที่เหยียบครบพวงทำงานจิตใจนะครับความดก้อนบุเครื่องเหมือนอย่างแตก่อนซึ่งมีที่เหล็กเต็มอยู่ภายใหัวใจนคัน่งอย่าคอยจะกระคิดกระจากหลอกยวงเรทุกๆ อาการของจิตที่สแสดงออกมาส่วนมากมีแต่ว่ากลมายาของกิเิยะเป็นผู้สั่ดัำออกมาให้กระพริอกระสาและเชื่อมันไปเรื่อยๆใยกลายเป็นคนหลักลอยหาที่ยึดที่เกาะแม่ดบเกิด ค, ความสำคัญไปต่างๆนานาความสำคัญแบบนี้เราเคยมีมาแล้วดั้งเดิมตั้งแตยังไม่บวมนี่ก็มีบวมมาแล้วมันก็มีมาปฏิบัติ มือทำอะไรเหยียดมันก็ยังต้องมีเพราะมาปฏิบัติกิเลสก็มาด้วยแต่มันได้ปฏิบตัติมันคอยมาทำลายเราทำลายงานของหนอและกความสำคัญต่างๆจึงมักเกิดขึ้นได้สมอเวลาเขินสติมมีความเข้มแข็งสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นภัยให้เข้าใจอย่างถิงนฐน ทำความระมัดระวังอยากล้าสารในสิ่งที่ปราทั้งหลายท่านกลัวทําให้ละท่านให้โลกริท่านจือเดินตามขลุ่ยให้คำนวณนะครับยกข้อเปรียบเทียบบวกลบคูณหารกันดูในเรื่องความคิดความตรุงของเราตั้งแต่รู้จักเรียนษาภาวะความคิดความตรุงต่างๆมีอยู่เป็นประจำร้อยทั้งร้อยคิด หนึ่งโหลดเดี่สูงสามทั้งนั้นเพราะอำนาจของดิเลตเป็นตัวการสำคัญแล้วเราเคยได้ผลอย่างไรมีแต่มันหลอกไม่ยื่นเติมเติมเพั่อถนัดแล้วงงจบเสาเนงาห้อยตื้อังตุ่อยู่ภายในจิตใจมันลึครับเสื่องคลายไปได้หรืนี่เป็เรื่องความชิดเป็นสำคัญ เราเคยคิดเคยปรุงเคยสําคัญมั่นหมายว่าตั้งแต่ตึงคารวะแบบนี้เราจะนําความคิดอันนี้หมุนตัวเข้ามาทางด้านธรรให้เป็นความคิดที่เป็นมั่นทางดําเนินทางแก้เครื่องมือแก้ไขเครื่องมื อ, อต่อดถอนที่เหลือเครื่องมือปรปาการที่เด็ดต้เทศที่เคยยุ่ยใหญ่ก่อกวนภายใจเรามาเป็นเลานานความคิดทั้งหม ด, ม ด, หมดเรา่าทิพมาให้เป็นเครื่องมือของธรรม มาให้เป็นเครื่องมือของจิตวิเรศเหมือนอย่างแต่ก่อนต้องใช้ความฝืนเราอยากเสียดายตรองโลภเรื่องมิศาลอยากเสียดายความขี้เกียจอยา่าเสียดายความอ่อนเออยา่าเสียดายการหลับ ก, การนอนการพักผ่อน ส, ส, สบายสบายตามอัธยาศัยมันไม่ใช่อัธยาศสสัยหน้าของเจิตวิเรศทั้งนั้นแหละโดยอาศัยคำวาา่าอัธยาศัยซึ่งเป็นความเคยชินกระปะว่าไม่เฉย หากเราจะพักหลับนอนตามอัจาริ ย, ยเพราะความมุ่งมั่นภายในธรรมมีมากฉะ น, นั้นมันก็เป็นอัจฉริยได้เพราะไม่พักไม่ไดนี้ส่มากเราไม่ตมอ้องหนักมันพักโดยพิษก่อขวรเอาตามให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันคิดไปนในแง่ใดเวลาเราจะตามก็เราให้ตาม คิดไปแน่ยยในแง่ใดเรื่องใดรูปใดเสียงใดสลิ่นใดรสประเภทใดคุยเสีย่ยขุดคน้นสิ่งนั้นๆที่จิตไปะกอบเกี่ยวใหบเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะถอยตัวเข้ามาเองถ้าจิตได้รับการข้ามสอนด้วยเหตุด้วยผลในทางปัญญาแล้วจะฝืนสติปัญญาไปไม่ได้ในอุบายของปราดท่านเคยฝึออกฝนอบรมท่านมา จนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแนวธรรมแนวทางสอนพวกเราทั้งหลายโดยทางมัทมีทางเหตุท่านเคยดำเนินมาอย่างนั้นอยากเสียดายความคิดที่เคยเป็นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษ ร, นรนวนรนเวลาจิตมันคิด เรื่องอันใดก็ให้ช้าจะติปัญญาตามต้นมันด้วยเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจเมื่อจิตใจได้เข้าใจแล้วก็ต้องหดตัวเข้ามาไม่ฝืนนี่ถ้าเราจะตามต้อนด้วยกรรยัญญาก็ให้ต้อนอย่างนี้วเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบโดยทางสมาธิตามที่ ท, าท่านกล่าวไว้หนึ่งตําหักตําลาก็จะสงบด้วยบทธรรมหรืด้วยคําบริกรรมด้วยการกรรําหนด อย่างใดแตต่างรือถ้าจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานของตัวแล้วก็ไม่จำเป็นกับคำบริกรรมเสมอไปคำบริกรรมนี้เพื่อเป็นการตั้งหลักต่างฐานของความสงบให้เกิดขึ้นได้ด้วยคำบริกรร ม, มจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่ภายในจิตใจกำหนดลงเมื่อไหร่ก็ รู้ได้อย่างชัดทับนี้คือจิตในรู้ได้อย่างชัดทับว่านี้คือมันเป็นความสงบอยู่้วยลำพั ง, งตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องการจะเข้าสู่ความสงบเราก็ต่อเข้าไปทางนั้นต่อลงไปตรงนั้นความคิดความปรุงทั้งหลายไประงับไประงับไปก็เหลือเพียงแต่ความรู้ที่สงบนั่นเย็นภายในสิทธิ์เดียวกัสมาธิความสงบสงบอย่างนั้นระยะแต่ ปันสติปัญญาตามต้อนจิตให้เข้าสู่ความสงบหน้าเรนมีเป็นบางครั้งเห็่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากแมาจะมีฐานรมาีิอยู่ก็ตามนะเพียงเราจะกำหนดฐานรมาิบังคับเวทนาทั้งหลายนี้ไม่พอกำลังไม่พอจึงต้องใช้ปัญญาออกผู้เชียบฝุกคน้นหาความจริงของ อาการนั่นๆที่เราสําคัญไปต่างๆว่ามันเป็นทุกข์อย่า ง, น, น, น, าง น, าววนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้อวัยวะส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์กิจใจเกิดความคุณว่าขึ้นมานี่เป็นจมูกไทยขึ้นมาเลยครัเพราะความสําคัญนี่เราต้องคิดค้นในปัญญาแยกแยกเอาให้เห็นอย่างขัดเจนไม่ต้องมุ่งไม่ต้องอยากให้ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามหายไป เฉยๆด้วยความอยากของตนถ้าหากจะหายไปจะสงบลงไปก็ให้มันหายไปหรือไม่สงบตัวลงไปด้วยอํานาจของปัญญานี่เป็นของสําคัญนี่ถึงถูกกบลักษณ์ศัจธรรมความอยากอยากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของปุถยธนามากขึ้นเพราะความอยากนั้นก็เป็นยิเล็ดอยู่แล้วถนัดตันหาคือความบกพร่องไม่บกพร่องมันจะอยากมากมั น, นบกพร่องตลอดเวลา ต้องการให้เป็นไปตามใจตัวเองเมื่อมันไม่เป็นไปตามมันก็เป็นกองทุกข์เพิ่มเข้ามาอีกทั้งทุกข์ทางใจทั้งทุกข์ทางร่างกายทั้งสองอย่างนี้เป็นไฟมันเผา ต, ตัวเองแล้วตั้งตัวไม่ไ<ม>ล้มดันเนินหน้าแหงนึ้นใส<ม>เวลาเราจะใช้ทางปัญญาเพื่อให้จิตมันสงบตัวหรือแยกแยะ ก, กันออกจากอาการที่มันสาคัญต่างๆ เปนหนังเป็นทุกเนื้อเป็นทุกเอ็นกระดูเอ็นเป็นทุกกระดูกส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกมันหักมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความทุกข์มากต่างกันในอริยวะสุตต่างๆแม้ที่สุดเพียงกระดูกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปเจ็บทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกอันมันจะเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งที่หนักมากกว่ากันนั่นแหละจุดนั้นะ่ะเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญา เวทนามันเกิดขึ้นมันมีรูปมีลักษณะอย่างไรสีสันวันละอย่างไรมันไม่มีก็รูปมันมีรูปมีล่างมีลักษณะมีสีสันวันละหนีอะไรแย่จิตมีอะไรก็มีแต่รู้เท่านั้นเวลาพิจารณาสิ่งใดให้เป็นสิ่งนั้นสิง่ง้ไม่สติเถอไปจากงานนั้น พุกมากเท่าไรสติยิ่งหมุนตีว้วปัญญายิ่งหมุนติว้วสติยิ่งจอ่อเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ต้องไม่ตั้งความอยากอย่างอื่นนอกจากมีความอยากรู้อยากเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในตัวนี้โดยขึ้นจากปัจจรรุบันหรือว่าสติปัฏฐานสิไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งความหมายไม่เป็นกังวลกับ ความที่ภาวนาจะหายไปหรือไม่หายไปแต่มีความจดจ่อต่อนเนื่องกันอยู่เสมอโดยสติโดยการพิจารณาอาการนั้นๆให้สืบเนื่องกันไปถ้าพิจารณาสมมตว่าพิจารณากระดู ก, กดูกระดูกให้ชัดเจนเให้เห็นว่ากระดูกนี่เหรอมันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆ กระดูดทิ้งเกินตามถนนรัทางก็ดูกห ม, ม, มากขาดูสัตว์ต่างๆทําไมไม่เห็นมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ากระดูดมันทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็ต้องแสดงความทุกข์มันตลอดเวลานี่ไม่ปรากฏถ้าก็ดูดมันเป็นทุกข์เวลาทุกข์ดับไปกระดูกต้องดับไปด้วยเพราะมันเป็นอันเดียวกันกับทุกข์แต่เวลาทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นดับไปในขณะที่เราไม่นั่งภาวนานานๆพอทุกข์ ก็เกิดขึ้นมากๆ ม, มันก็ไม่เห็นปรากฏเป็นทุกข์ทั้งๆ ท, ที่กระดูกก็มีอยู่แล้วแต่เป็นพอเรานั่งมากมันขัดต่อส่ว น, นต่างๆของร่างกายมันก็เกิดทุกบดวจนาขึ้นมาเมตนาจึงเป็นอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระดูกแยกดูเห็นถ้เห็นชัดเจนเวลากำหนดดุจนาที่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์กำหนดดูให้ชัด เวทนานี้เป็นอะไรมันบอกมันมเป็นเวทนาไหมมันมันได้มีความหมายในตัวมันไหมว่ามันเป็นเวทนาแล้วมันมีความหมายกับเราไหมว่ามันให้ทุกข์แก่เรามันก็ไม่มีความหมายอะไดูเวทนาก็ดูยักขั ด, ดจนกรตั้งสักแต่ว่าเท่านั้นไม่ปัญญาดูกระดูก็สักแต่ว่าถึงจะดูอาการใดก็มีแต่สักแต่ว่า มันใครเป็นคนไปสําคัญมั่นหมายหลอกเจ้าของให้เกิดความทุกข์แบกทั้งหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วยังแบกทั้งกองทุกข์อีกแบกทั้งจิตแบกทั้งขันมันเป็นเพรเหตุไรค้นหาสาเหตุจนได้ความแชัดเจนจิตใจก็หดตัวเข้ามาความสาคัญมั่นหมายว่าส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นกระดูกเป็นทุกข์มันก็หมดความหมายไปเพราะมันไม่ใช่ทุกข์หนังก็บอกว่าหนังอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อะไร มันเป็นหนังมันไม่ใช่เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกข์มันเป็นกระดูกมันใช่กระดูกมันไม่ใช่ทุกเอ็นก็เป็นเอ็นไม่ใช่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์เอ็นเป็นเอ็นอาวัยวะต่างๆเป็นของใครเรากิงใครเราอยู่นมันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ทุกข์จิตก็ไม่ใช่ทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ อาการแบบนี้ดับไปทุกข็ต้องดับไปด้วยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นหมาดับไปทุกก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกก็ออใจก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ใจไม่เห็นดับไปด้วยนี่นะทุกเกิดขึ้นใจก็รู้ทุกตั้งอยู่ใจก็รู้มีทุกมากน้อยใจก็รู้ทุกดับไปใจก็รู้นี่ดูให้ชัดทั้งจิตด้วยดูให้ชัดทั้งเวทนาด้วยมันเกิด นส่วนใดมากน้อยก็าตามมันก็คือเวทนามันไม่ใช่อื่นใช่ไดไม่มีความหมายให้ตัวเองและไม่มีความหมายกับสิ่งอื่นใดเช่นมันมีความหมายต่อจิตใจงเราว่ามันมาให้ทุกข์แก่ใจเรามันก็ไม่มีความหมายแต่ใจเราไปหมายต่างหากตัวใจนี่เป็นสาคัญเมื่อแยกแยกเห็นชัดเจนแล้วย้อนเข้ามาดูใจใจก็มีแต่รู้รู้มันก็ไม่ใช่ตัวเวทนามันตัวรู้ แยกแยกกันไปแยกแยกกันมาเข้าใจทัดเข้าไปแท้เข้าไปทีนี้ผู้เวทนาเป็นต้นมันก็สักแต่ว่าเป็นความกินของมันนั่นท่านว่าการเวทนาสักแต่ว่าเวทนานั่นท่านพิจารณาถึงความกิงแล้วก็สักแต่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเพื่ออวไรว่าต่างๆสักแต่ว่าเท่านั้นจิตก็สักแต่ว่านี่แต่อันต่างกินเมื่อต่างอันต่างกินด้วยปัญญาอย่างนี้ ก, กิจก็แยกตัวจิต ก, ก็เป็นความจริงของจิตกายก็เป็นความจริงของอกาเวทนาเป็นความจริงของเวทาไม่เกิครบกระเทือนกันจิตใจก็มีความอาจฐานภายในจิตทั้งๆ ท, ที่ทุกขเวทนามันไม่ได้ดับไปคนตามแต่ก็เหมือนอย่างเขาก่อกองไฟไว้สนุกเรามองเห็นกองไฟมันจะส่งเปลวขึ้นจุดแม่ก็ตามแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองไฟก็สนุกดูไฟได้อย่างสบา ย, <c oughs> บายไม่สามารถจะมาแผลเราได้ ทุกเวทนาทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาแผ่เผาจิตใจได้เพราะจิตไม่หลงไม่เอึ่อมไม่ยึดพอ ท, ที่ใช้ทุกเวทนามากระทบกระเทือนหรือเผ <c oughs> ารวมตัวเองให้เดือดน้อนมีาการพิจารณาทางด้านต่างาเราจะแยกกันทางเรื่องอสุภาอสุพัน์อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากลาแกราคะคืออสุภอสุพัน์มีสคัญมากพิจารณารูปนอกก็ตาม รูปในก็คือรูปตัวของเราเองก็จะพิจารณาถึงฐานอย่างอสุภะอาสุปังซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผิวหนังก็ขี้ใครยังไงล่ะนังมันขี้อย่งนั้นอสุพะอาสุาสาปังเข้าไปเข้าไปที่ตรงไหนที่ไหนทุบชิ้นตุ้อันแห่งอกายวะเต็มไปด้วยอสุพะอาสุภังั้งหมเราไม่ยอมรับความจริงได้เฉยจิตใจของเรามันดือด้อได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้อง ทนแบกหามของกองทุกขที่เกิดขึ้นจากอุปทานความรักความสง ม, มนตัวโดยทั้งด้วยอํานาจของเนจึงโงยตั้งแต่ทุกข์มาพอลงเทิมเส ม, มนเอ<ช>นี่คือความฝืนธรรมฝืนคติธรรมนาฟืนาฟ้ น, นความจิงความจริงแล้วถ้าไปแยกพิจารณาเป็นอสุภมรมันก็หมดทั้งร่างนี้แหละยิ่งร่างกายเรายิ่งมีส่วนผสมมากมายแตว่าอาหารการเมือกมาจากทีนี้อาหารประเภทใดๆ มันรวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้หมดเป็นกองอสุภะอสุภางกองปฏิพูลโสโครเป็นหมดในตัวนี้กระจายไปทางไหนทางไหนมันก็เป็นของปฏิกูลเมื่อตกออกมามันก็เป็นของปฏิกูลเพราะภายในเป็นของปฏิกูลดูให้ชัดเจนหน่อยนะอีกครั้งกี่หนดูด้วยปัญญาเราอย่าประนับครั้งมะหนให้ดูชัดเจนด้วยปัญญาเห็นชัดเจน ครั้งนี้ครั้งนั้นเห็นหาลาครั้งหล้วผลมีความอาจฐานขึ้นมาโดยจานวนม <c oughs> นี่ชื่อว่าเห็นความจริงเพราะเรียนความจริงความ จ, ามจำเราจำมาได้แ ล, แล้วทุกรูปทุกานามตั้งแต่ขณะที่บวชเกสาโรมาณะขาทันตาตักโจอุปชาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานคืองานที่พระเราจะต้องทำอันเป็นงานเหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งกับพระท่านสอนให้ทราบเรื่องงาน ว่าอะไรเกศาคืออะไรโลมาคืออะไรผมผลเลี้ันหนังนั่นแหละจะคืออะไรก็คือผมผลเลี้ันหนังนั่นแหละนั่นให้พิจารณาการพิจารณาคือการทำงานการจํามาเกศาโรมาขาต่างๆแต่ตัวนี้คือจําชื่อของหนัแต่ละชิ้นชิ้นแล้วให้ไปทำด้วยความแยกคายดังที่กล่าวมานี้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเอาลมปฏิลม ทำเพียงในเจสานุบาลนัการตาตาจูตโจูดันตาณานุบาลเตสานั่นย้อนหน้าย้อนหลังตลกทบทวนด้วยสติปัญญาไม่สักแต่ว่าย้อนเฉยๆนะสติปัญญาต้องตามไปโดยลาดับความเข้าใจซึ้งไปตามลําดับลำดับของแต่ละอาการเราจะพิจารณาเป็นอาการใดก็ได้ไม่จํำเป็นจะต้องว่าหมดทั้งครรมฐานห้ามรันกระจายกันไปเองทามีสติถ้ามีปัญญาเป็นเครื่องวิพากวิจาร ที่ขายแล้วมันจะทราบตลอดตรวจ ถ, ถึงในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นความจริงเหมือนกันนี่เรียกว่าโลกก็มีทุกอันหนึ่ง ร, รู้แจ้งโลกแข่งขันของเราเองมันเหมือนกันหมดอาการใดก็ตามผู้เรื่องปฏิปุณก็เต็มไปเลยปฏิปุณเอาผุดถึงหนึ่งถาดก็ชัดแต่ว่าถ้าขุทาตูรูปาทาตูจักขุวิญญาณาทาตุเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ชัดแต่ว่า ธาตททาตุธาตุธาตุเสียรู้เสียงกินรถเครื่องผงผาดก็สักแต่ว่าธาตทธาตุธาเป็นเสียรวมแล้วก็คือกองนี้จังทุกขังอันตรายไปทําทั้งสามประเภทซึ่งครอบโลกธาตุนี้ไปไม่ได้เี่ยเนีให้มันจริงมันจังแล้วอย่าเสียดายอะไรยิ่งกว่าเสียดายความพ้นทุกเวลานี้เราอยู่ในกองทุกอยู่แล้วไม่บกพร่องความสมบูรณ์ภายในตัวของเราก็คือกองทุก ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราสงสัยอะไรเวลานี้เราจะพยายามสะเกียรตะ ก, การออกจากกองทุกข์ที่มีในตัวนี้ทําไมเราเสียดายถ้าเราเสียดายเรื่องโลกก็คือเสียดายเรื่องกองทุกข์อยากแบกหามทุกข์ต่อไปแล้ก็แสดงว่าเราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานคือความพ้นทุกข์ไปโดยลำพังแล้วให้เร า, าถามไปให้ดี สติปัญญามีนมาํามาใช้อย่าอยู่อันตุเฉื่อยเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่จอมปราดความฉลาดแหลมผมทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมในใจโลกธาตุนี้ด้วยท่าปัญญาสามารถเทโถอมทรงทราบหมดก็คือพระพุทธเจ้าเท่าไหร่จอมปราดเรามันรู้กว้างขวางนั้นขอให้รู้รอบในท่านในขังกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราตากับรูปมาเกี่ยวข้องมันเป็นยังไงเราปรุงไหวยังไง ตรงว่ารูปมันเป็นยังี้มันถึงเกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ภายใ จ, จิตใจเรียกว่าธรมมรมอารมณ์เอามาพุ่นคิดอยู่านนภายใจิตใจในขณะที่เราไปเห็นรูปไปเจอรูปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเอามาพุ่นคิดอยู่ทั้งวันมันคิดได้นี่มันเอาอารมณ์มาจากที่เห็นกู่เดียวสิ่งนั้นไม่ทราบอยู่ไหนหายไไหนแล้วขอะเรแต่อารมณ์นี้ไม่หามันเกิดขึ้นจากใจเราหลงอารมณ์ของเรามนโนภาพมันหลอกตัวเองเหมือนลิงสองหน้าน ในตัวเองในหน้ากระจกดูตัวเองหน้ากระจกเล่ต่อยกระจกให้นจนแหลกเข้าใจว่าลิงตัวหนึ่งอยู่ข้างนั้นเลยเป็นเงากับตัวเองเลยกลายเป็นผู่ต่อสู้กันไปลิงก็ชกต่อยหน้ากระจกลิงตัวนั้นพอตัวนี้โดดตัวนั้นกรโดดกระพางผางโดดหรืโดดเข้ดดดดนหน้ากระจกนะกาเตะกระจกล้วก็เห็นแตะยึดทั้งวัน มันเข้าใจว่าเป็นกายตนยพอตรงนี้จ้องเงาเมันกี้จ้องพอเตะเงาก็ตอนนั้นก็เตะแล้วจะตายนี่อยู่วัดหนองสวรรค์อะไ น, นี่เตะอยู่สองวันไม่ไปหากินอะไรอยู่แต่เลียงนี่พอ ม, มีแต่เพื่อนฝูงเลาให้ฟังเลีงก็เหมือนกันเหมือนกันเอาก็จบไปดูโอ้ยทำท่าขึมขังเต็มตังค์เลยว่นนะพอเห็นเงาแล้าบกนี่เราก็เหมือนกันมันก็เหมือนเลิงตัวนึงง่ะ เราเวลานี้นะ่ะถ้าพูดถึงหนึ่งตัวของเราก็เหมือนเหลี่ยใจของเรามันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพ า, นายในจิตมนโนภาพมันก็ก็เหมือนเงาของเหลี่ยเงาของใจเงาของเหลี่ยมันหลงเงาเจ้าของปรุงขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งไม่เห็นโทษแห่งความปรุงของตนไม่เห็นโทษแห่งภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตแล้วหลอกกิตตัวเองทั้งวันทั้งคืนเพราะ จึงต้องพิจารณาภาพอันนี้หร่อรอบพิจารณาให้รอบทั้งรูปทั้งตาเรามีแต่พิจารณาให้เป็นอสุภะสุภังก็อย่างที่ว่านี่ขณะที่จะพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าให้มีงานอะไรมาสวนมีงานเดียวนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดถึงเวลาเวลานาทีโมงอะไรเล ย, ยเจ่เลศมันไม่เคยมีเวลา เ, ลเวลามันเยียบหัวใจคนตลอดเวลา เวลาเราจะทำภาวนาทำไมยิ่งต้องหาเวลาเวลามันทันกับวิเหลหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทันต้องสู้ไม่ถอยอจะพิจารณาถ้าจะให้จิตสงบแบบสมาธิก็แบบที่ว่าจิตสงบด้วยการพิจารณาอย่างนี้ก็ดังที่อธิบายมาจิตสงบได้สองทางแต่สงบจากการพิจารณาแล้วเข้าไปสงบนี่มีความอาบฐานมาก และเป็นการถอดถอนกิเลสไปในตัวด้วยเพราะปัญญาสำเพียงสมาธินี่เป็นสำเพียงว่ากิเลสตะล่อมกิเลสเข้ามารวมตัวส้างว่าเราไม่ใช้ปัญญากิเลสก็เข้ามาหมักหมมอยู่ภาจิตใจแล้วก็แผ่กระจายไปได้อีกด้วยเหตุ น, นี้ปัญญาจึงเป็นของสําคัญมากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมาเดรวะอสเวหิมุนีเติ กิจอันปัญญาอรมแล้วจะมีผลมากมีส่สงมากิญญาจะกกญญจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ใหเ้เต็มตเป็มไม่เต็มเหมือนนี้เลยจะพองสายไปเรื่อยๆลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพันิพาณได้พระปัญญาเอาเห็นทัดาทิาอือสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติหนาอยู่ขางสปัญญาจะมี ความฉลาดแล้วคง ม, มีพลังต้องอาศัยความสมบงบเป็นเครื่องหนุนนะยีติมีความสงบตัวย่อมอิ่มตัวไม่หิ้วหวยกับอารมณ์ท่าทํางานประเภทใดก็ทําได้สะดวกสบายไม่เถริ่งเทไหนั่นเรื่องสมาธิจิตเป็นของสําคัญสําหรับจิตที่จะต้องพิจารณาปัญญาหากจิตมันมีความหิ้วหวยหาความสงบไม่ได้เลยเราจะพิจารณาให้เป็นปัญญมันกลาเดินปัญญาลงไปหมด ด้วยเห็นนี้จึงต้องอบรมจิตให้มีความสงบเรียกว่าอิ่มตัวในความสงบแล้วพาทำงานด้วยการคุยเยคียวขุดค้นในสภาวธรรมทั้งหลายมันก็ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งแล้วก็รู้แจ้งจริงๆประดลํำดับหบบนี่อย่างนั้นก็มันก็เป็นปัญญาภริภาวิตังกิตังจะไปไหนไม่นอกเนือไปจากนี้ ให้ถือหลักนี้เป็นเจิตการฆ่ากิเลสการทำลายกิเลสให้ถือหลักนี้เป็นเจิตเราจะไปหาเอาเหตุเอาผลนอกโลกนอกสงสารซึ่งนอกเหนือจากธรรมของพระเจ้ า, าไปจะไม่พบสิ่งที่พึงจใจใกำหนดตรงๆหนึ่งเอาให้กล้าหาญชามไข่เอาเป็นนักรคแต่ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าให้เห็นกินเลสทุกประเภทที่อยู่ภายในจิตและเกิดขึ้นในจิตนี้ว่าเป็นภัยทุกประเภทไป ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาตามต้นถ้าเหมือนเรายาหลงกลมายาของโลกตาหลอกไปอีกทางหนึ่งหูหลอกไประชานหนึ่งจมูกหลอกประชันหน่งนกายหลอกไปแต่ละอย่างว่อย่างหลอกไปเรื่อยๆใจก็หลอกทางมโนภาพโดยอาศัยทางตาหูจมูกร่างกายได้สัมผัสสัมพัสกับสิ่งนั้นๆมาแล้วก็เข้ามาเป็นอารมณ์ฝังใจแล้วคลุ่นคิดขึ้นมาคลุ่นคิดขึ้นมา เผลต้นอยู่ตลอดเวลาท่านอย่างธรรมารมณ์คือความสั่งสมอารมณ์จิตเคยเห็นมานะรูปเสียงติน่นว่เป็นต้นแล้วเข้ามาเป็นอุปท า, านอยู่ภายในจิตใจน็มาเป็นมโนภาพหลอกตัวเองเราหลงเราตื่นเงาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบเลยเอาพิจารณาไปสิเมื่อถึงขั้นจะรู้นี้่นะปิดไม่อยู่รูปเป็นความจริงอ๋อภาพนี่มันก็เป็นเงาของจิตแท้ๆหลงบ้ามันยังไงเนี่ยเวลาไม่เข้าใจ มันถอนทบเลยที่มันจะหลอกมาอะไรได้เมื่อรู้เท่าทันจนถอดถอนหมดแล้วรู้ทั้งตัวเหตุเป็นตัวอะไรเป็นตัวสำคัญตัวจิตเป็นตัวเหตุสาคัญหลอกออกเป็นภาพปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพภาพยิงภาพถายภาพจัดภาพบุคคลภาพเรื่องราวต่างๆมันปรุงขึ้นมาสติปัญญาไม่ทันก็หลงมันไปด้วยพอสติปัญญาทันปรุงภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมแล้วไม่ช่วยสิ่งอื่นใด เพราะมันปลอมทั้งนั้นเราเชื่อแต่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติที่ฝาปรปามพิเด็ดลงได้โดยลำพังตามจนกทั่งถึงธรรมารมณ์ที่ว่านี่ให้คิบหายผลยปี้ไปได้นีน่ีเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้ น, ย น, ยนอย่งางนี้ตกวิจารถึงหนุ่มเพื่อนทำงานทุงตาเรต้องมาประชุม เรื่องในังเรื่อยๆทั้งู่ผมตามธรรมดาแล้วมันไม่สะดวกปัดขันมันเหนื่อยมันเพียนรต้องเทิดต้องนั่งไปวิกปฏิบัติมีความอาถารพทันทานทยเวลานี้โลกกําลังร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโลกห่างไกลจากศินจากธรรมไม่สนใจกับสิีลวักฒนี้นอกจากนั้นยังเห็นศีงธรรมศ า, าสนาเป็นข่าศิกเป็นสิ่งที่กวดทั่ว์ความเจริญของโลกโลกกิงเจริญไปด้วยความทุกข์ เห็นโงตักเป็นดอกบัวกันใครจะจะรู้จริงเห็นจริงยิ่งกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้แก่แต่โลกก็มีใครสอนจริงยิ่งกว่าพระเจ้าได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะมันลําพังคนมีที่เด็กจะพูดไปเท่าไหร่ก็เป็นการฆ่าตนฆ่าตัวเหมือนขุยไม้ไผ่เนี่ยขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมามากน้อยทําลายแม่ตัวเองให้คิดหายหมดความรู้ที่เกิดขึ้นจากคนผ่านที่เล็กเต็มหัวใจนั่นก็เผาตัวเองให้แห ล, เลกเหลวไปมันไม่ได้มีความจริง อะไรอยู่กับความคิด น, นั้นเหละส่วนธรรมะพุทธเจ้านี่พูดตรงไหนจริงตรงนั้นสอนตรงไหนจริงตรงนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนเชื่อว่าจริงไปโดยลํำดับลำดั บ, ดบยึดหลักนี้ให้ดีอย่าลื่นตัวอย่ามัวสูงเวลาฉันอหารเสร็จแล้วมีอะไรล้างบาัตเคลดบาัตรอะไรเรียบร้อยแล้วให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปผูท้ที่จะทําชะลาก่อนทำ ย่าหม้อสูงคุยกันเรื่งนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่เห็นโทษเห็นไทยเรื่องความเพทิดตนความดึเนื่อดึงตัวอย่านำมาใช้สําหรักนักบวดผู้เห็นไยัยนะว่าตาสงสารอย่านำมาใช้ให้เห็นไทยอยู่เสมอแม้แต่การอยู่การกินก็ยังต้องเห็นไัยฉั้นอะไรอะารก็จักแต่ว่ า, าพอบําบัดร่าง ก, กายให้มีความตึนไปในวันนึ่งคือบําบัดธาตุแข็งพอบําเพ็ญความธาตุเปลี่ยนได้เ ร, เราไม่ถือรถถือ ชาติอะไรจากอาหารนั้นว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นที่ถ้าตื่นรถก็แสดงว่ารถนี้มีอำนาจเหนือธรรมเ<ม>หยียบทธรรมเวลารับเวลาถ้นใน้ันก็ดึมตัว <S <S อย่าให้ลืมทั้งฉ้นก็ไม่ให้ลืมรถประเภทใดเข้ามารวมกันตรงนี้มันก็ผ่านลิ้นเข้าไปเห็นรถเชืมเปรี้ยวหวานชาบถ เดี่ยวหวานเค็มอย่าอลิ้นตอนนั้นพอผ่านังไปแล้วมันก็มีเหมือนกันหมดไปกองในที่แห่งเดียวเห็นนี่เรื่องอะไรอะไรพออย่างชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อบงเป็ญจะมาทำด้วยความสะดวกสบายบการปกครองการสอนก็ให้กำหนดดูท่าดูขันข้างตัวเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านและคนบุคครูอาจารย์จะไปสอนไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นคําสอนนอกจากเป็นคําบอกเล่าหรือเป็นอุบายวิธีการ ผู้วิทยาวิธีการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยอาการต่างๆให้ทราบเท่านั้นท่านผู้ใดมีจิตนิสยนัยทางไหนก็ให้ทั้งทางไหนต้องสังเกตตัวเองเพราะเราเป็นนักปฏิบัติสังเกตพอได้จากการกินการหลับการนอนการใช้การสอยให้เป็นเรื่องของตัวเองหันหันเนื่องจากหันมีจิตปฏิภาสอยู่นนกับธรรมทวาพันอยู่กับธรรมเสมอ อย่ามันเพ้อเพลิลลลลลลนึุ่มลุ่มหลงโน้นหลงนั่นตายอยูเลยหรือไม่ในเรื่องใดเราเ ล, เ, ลเห็นลิ้นดีกว่าทําห็นลิ้นให้ตามันแซง ท, ทําเหยียบย่ำทําลายทาคือคนดืมตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นทำไมข้างบุตรข้างปุถิจักรมันปรากฏ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นพระสาเร็จมรรคผลนิพพานอสุนมากมากกิดก็เพราะมีตั้งแต่ผู้มุ่งมรรคผลนิพพานปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทําไมจะไม่เจอมุ่งสิ่งใดสนใจกับสิ่งใดทํางานเพื่อสิ่งใดผลจะต้องตามสนองผลคือสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นั้นจะต้องตามสนองสนได้ไม่หนีจากเหตุคือการกระทํานี้ไปได้เลย แล้วทำไมทุกวันนี้จึงไม่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะความรู้ความเห็นความเป็นไปในทางด้านจิตใจมันไม่ได้เข้าร่องรอยของธรรมนอกจากเป็นข้าสึกต่อทานก็โดยสามปชัญญะนั้นเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมานี่แต่เราตั้งใจเราคุยปฏิบัติตามหลักสวกขาธรรมที่ทันตรัสไม่ชอบแล้วนี้เท่านั้นมันต้องมีปัญหาอะไรเรื่อมรรคผนิพพานมันจะรู้กุญแจในตัวของเรานี้เองอยู่ที่ไหนเพราะกิเลส อ, อยู่ที่นี่ การปรากพิเรก็ปราบที่ใจมีบรรยากาศที่อื่นที่ใดสถานที่หนุนที่หีดินฟ้าอากาศปราบตรงที่ใจี่เรกราคะสันทัดมันเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจการปรากสิ่นี้ก็ปราบตรงที่ใจด้วยสติปัญญาตัฏฐาความเปลี่ยนนี่เมื่อสิ่งเหนี้ถอยดอยลงไปด้อลงไปลดน้อยลงไปเดิลนดับความสุขก็มีช่องทางความสงบก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นผลให้เราทราบว่าความสงบกับความสุขมันมาตามๆกันมา สงบมากสุขมากสงบสงบเต็มที่ก็สุขเต็มที่จนถึงขั้นนัตติสันติพลรรังสุขขังคือความสงบจากพิเดรพเทลิทั้งตัวไม่มีสิ่งใดเลหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอเลยนั่นเป็นความสงบอันง่ามภาพสงบในขั้นพระนิพพานในสงบในขั้นอิตวิสุธทธิสงบขั้นสมาธิเป็นอิสระเพลิดเหล่านี้ออกจาก สติปัญญาที่เป็นเครื่องปราบปรามที่เด็ซึ่งมีในหัวใจปราบปรามลงที่นี่ยไปสนใจกับที่อื่นใดให้หนักยิ่กว่านี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามให้ถือจุดนี้เป็นจุดทํางานมีค่าตัเอาให้กินให้จับแล้วผลจะไม่ต้องถามขายจะเกิดที่นี่เหงาข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างครั้งนั้นมีแต่ผู้มุ่งทำ ความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกําลังก้าความเพียรก็ต้องเป็นไปตามเพียรก็เพียรเพื่อบรรลุธรรมรู้จริงเห็นจริงในธรรมผลก็คือความรูจร้จ ร, จ, ร จ, รจริงเห็นจริงในธรรมเป็นขั้นจนกระทั่งทะลุ ป, ปุโพรงเตนมนอกนาจากประสากความภาพอย่างนี้ไว่าด้ทุกว่านี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตรรปัดกันไปเลยเลกลับเป็นนักบวชพวกเราเองเป็นผู้ทํานาศาสนาย่ายํายีปีผลเป็น เหมือนหลวงพ่อพระเจ้าไม่มีใครที่จะทำลายศาสนาได้ยิ่งกว่าพุทธบุธริษัทท่านถูกต้องอเอาแค่นี้กุกคนท่านบัญญาที่บา้านหนุ่มเพื่อช่วยงาน